เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นแห่งชีวิตส่วนร่างกายนั้นอุปมาเหมือนอย่างเปลือกกระพีของต้นไม้ใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของชีวิต ให้ธนุธนอมเอาอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายอันนี้สำคัญกว่าใจแล้วก็ไปธนุธนอมบำรุงแต่ร่างกายจิตนั้นไม่บำรุงไม่รักษาแันนี้จิตนั้นมันเป็นใหญ่กวัวกาย เมื่อกายนี่อาศัยจิตเป็นผู้สั่งถ้าใจดีมันก็ใช้กายนี่ทำดีพูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปนักมวยขั้นเอกบางคนนะ บำรุงแต่ร่างกายแข็งแรงโชคช น, นะปืนมาจนรวยเป็นเศรษฐีไม่ประคับไปรองจิตของตนให้ดีเกิดจิตมันวิปริตไปกลายเป็นคนดุร้ายไปแต่งงานแล้วก็ ฝ่ายภรรยาก็ฟ้องยาก็ต้องได้ความรับความซ้าใจ ม, มีเงินกดมากมายกายกองปานนั้นจะมากําจัดกิเลสความชั่วร้ายออกจากหัวใจก็ไม่ได้นั่นให้พากันเข้าใจ เงินทองไม่ใช่ทำให้คนดีนะคุณธรรมต่างหากทำอันเป็นบุญเป็นกุศลต่างหากทำให้คนดีคนมีเงินมากมากยิ่งมีทิฐิมานบวมากถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจคนมีเกียรติมียศสูงขึ้นไปเท่าได ยิ่งเกิดมานะทิฐิมากเมื่อไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจทิฐิมานะเนี่ยทำให้คนเสียคนทำให้คนกระด้างกระเดืองไม่เคารพนบน้อมต่อบุคคลที่คนเคารพไม่นบน้อมต่อสถานที่คนเคารพ ผู้ใดมีกายวาจาแข็งกระด้างกระเดืองอ่งนั้นก็ย่อมไม่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปไม่เป็นที่ยำเกรงของคนอื่นเรียกว่าเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายในในการ ปฏิบัติธรรมฝึกใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งในสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นการลดละทิฐิมานะลงทำให้คนเหล่านั้นประพฤติตนให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความ สมัครสมานสามคัคคีเป็นไปเพื่อความไม่ทะเลาะวิวาดกันทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าต่างคนต่างไม่ถือตัวไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้างพระอริยบุคคลทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ละความเห็นว่ามีตัวมีตน ม, มีเหลามีเขานี่ออกไปจากกิจได้แล้วท่านจึงไม่ถือโน้นถือนี้อะไรเลยก็เห็นว่าไม่ใช่ของตัวของตนล่ะก็จะไปถือมันไว้ทำไมอันนี้สำคัญมาก ให้พึงพากันใส่ใจผู้เรื่มใสในพุทธศาสนานี้นยะศาสนาอื่นเขาสอนกันมันมีตัวมีตนอยู่มันมีเขามีเราพวกเขาพวกเราชาติอื่นแล้วก็ชาติเรามันสอนให้ถือมั่นในเขาในเราอยูยอย่างนี้ดังนั้นนะ่ะ มันจึงมีตั้งแต่รบราฆ่าฟันกันไม่มีอภัยให้ซึ่งกันและกันกิเลสนี่มันหนาขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งเบียดเบียนกันมากกันขึ้นเท่านั้น น, ะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าคําสอนในรัตที่อื่นนั่นนะไม่เพ็นไปเพื่อลากกิเลสตัณหา เป็นไรเพื่อสะสะมกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆนั้นผูใ้ใดได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องพิจารณาปรับปรุงใจของตนให้มันตรงไปตามนั้น อ, อย่าไปออกนอกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ความคิดความเห็นเนี่ยความประพฤติทางกายวาจาก็เหมือนกันไม่ไม่ปฏิบัติอย่างว่านี่กอบคนทุกไปไม่ได้จริงจริง <c oughs> คนเราจะบำเพ็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้เองเนี่ยมันคาเขาคาเรา ท่านเมื่อผู้ใดแสดงอาการไม่อพออกพอใจนล้วก็เกรียดไม่ยอมให้อภัยอย่างนี้นะมันจะไปมันจะรวมหมู่รวมคณะได้ยังไงอ่ะเลือกที่รักผักที่ช่างผู้ที่ สามารถรวบรวมคนหมู่มากให้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้นั่นล้วนตั้งแต่ท่านเป็นผู้ <c oughs> ละความเห็นว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนเนีย่ยออกไปจากกิจใจท่านไม่ถือเพราะฉะนั้นจึงอาภัยให้บุคคลผู้ผิดได้ ไม่ถือสาหาความนี่คุณธรรมอันดีงามความจริงทำของจริงเนี่ยมันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันหมู่มากได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะวิวาดกันทุกข์กทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกัน <c oughs> ไอ้มนุษย์ที่มันแตกสามัคคีกัน หาความรองรองกันไม่ได้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ในโลกอันนี้มันล้วนตั้งแต่ถือตัวถือตนนี้ทั้งนั้นเลย เ, ล ย, เลยมันสำคัญว่าตนนั้นดีกว่าผู้อื่นสำคัญว่าผู้อื่นนั้นเลวกว่าตนหรือก็สำคัญผิดว่าคนอื่นเบียดเบียนเรา คนนั้นด่าเราคนนั้นติเตียนเราคนนั้นไม่พอใจต่อเราคนนั้นเกลียดเราโกโรธเราอะไรทำนองนี้นะก็มันสำคัญในใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องระวงอยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรพูดอะไรไปก็กลัวแต่ผู้อื่นจะไม่พอใจ รแต่ผู้อื่นจะรังเกียจตนในเช่นนี้มันก็หาความสุขสบายใจไม่ได้เลยไปถือมั่นความคิดความเห็นอย่างว่านี่อยู่ในใจความคิดความเห็นอันถูกต้องเนะี่ยก็เมื่อเห็นว่าขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแหละเพราะไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วเราก็ ประพฤติตนให้ดำเนินตามทางสายกลางอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนี่มันต้องให้เข้าใจคำสั่งสอนของผู้โดยเจ้านี่มันเป็นเครื่องรั ง, งับกิเลจตัญหาได้จริงๆ <c oughs> เป็นเครื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้จริงๆเป็นไปเพื่อความสงบระงับจริงๆเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีกันจริง ๆ, ๆลองพิสูจน์ดูมะนเนี่ยแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยมันมันอะไรกิเลสนักหนา มันอะไรความคิดความเห็นของตัวเองไม่อยากปล่อยทิ้งความคิดที่เคยถือมาตั้งนมนานหลายชาติหลายภพมาแล้ว <c oughs> เสียดายหลายผู้ที่มาเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วเพื่อนก็ไม่อะไรในความเห็นอันนั้น แม้มันจะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างทีแรกมันก็ฝืนนั่นแหละแล้วก็ข่มใจละมันไปเรื่อยๆ <c oughs> เมื่อมันละได้แล้วมันเบาอ่ามันไม่ได้ฝืนแล้ววั น, นี้นะมันเบามันปลอดโปรงอ่า <c oughs> เมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่เดือดรอ้อนอ่ะนะ ก็เพราะมันไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาตีเตียนเราในใจมันไม่มีอย่างนั้นนี่ความรู้สึกไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เดือดร้อนนะไอคนที่เดือดร้อนนี่มันก็เพราะเหตุว่ามันไม่ไม่ละคําความที่ถือว่าเราว่าเขานั่นนะเรื่องมันนะก็มันยังถือมั่นอยู่นี่ว่าเขาด่าเราเขายกโทษตีเตียนเรา เขาไม่ชอบกับเราเขาไม่ให้เกียรติต่อเราเขาไม่เข้ารกนับถือเราสารพัดแต่มันจะวิตกไปแต่เพราะฉะนั้นจึงหาความสบายใจไม่ได้หาความเบิกบานใจไม่ได้ <c oughs> เหมือนอย่างลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองปิดปิดมันไว้นั่นเนี่ยไม่ยอมสังคมกับโลกภายนอกอะไรอะไรก็จำกัดอยู่แต่ในประเทศของตนนั่นแหละและนี่ทรัพยากรในประเทศของต น, นมันมีจำกัดสิมันหมดเป็ น, น่ะไปคุยเคียรบริโภคตั้งแต่ สมบัติอยู่ในประเทศท่านั้นหมดไปหมดไปกระเดือดร้อนกันนะเดือดร้อนกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยผู้ใดผู้ใดถือมั่นอยู่แต่ในความคิดความเห็นของตัวเองไม่ยอมฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างอย่างนี้นี่ ตนมีความรู้เท่าไร่ก็ได้อาศัยอยู่เพียงเท่านั้นนะเมื่อนอกจากนั้นไปแล้วอาศัยไม่ได้เพราะความรู้อนั้นมันมีขอบเขต จ, จํากัดหนึ่งไม่กว้างขวางอะไรเลย อ, อย่างนีท้ทํากลายเป็นให้คนเป็นคนใจแคบไป อ, อ, อมันเบ่งันคนใจแคบนี่มันก็ มีไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำของคนหมู่มากได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตาต้องเจริญเมตตาให้มัมากไม่ว่าใครแหละต้องเจริญเมตตาให้กว้างใหญ่ไพศาล ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุก ท, กทนหน้ากันเลยคำว่าทุกทนหน้านี่ก็ทั่งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ต้องการให้มีความสุขเหมือนกันหมดเลยไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกคนชั้นสูงชั้นต่ำ ไม่เลือกว่าคนผู้นั้นมีกิริยาหยาบคายคนผู้นี้มีกิริยาละเอียดละมุนละไมแล้วลำเอียงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะนี่เราต้องกระทำในใจต้องมีอุบายแยกคายสอนใจให้ได้อย่าให้มันถือนั่นถือนี้ต้องวางใจลงให้มันสม่ำเสมอไปทั่วไปหมด ในบุคคลทุกประเภทนี่แหละถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศถึงความจริงมันต้องพิจารณาให้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วแต่คนเหล่านั้นไม่ชอบพิจารณาความจริงนั้นเท่านั้นเองเนะี่ยความหมายเนะ่ะ แล้วก็ไปติดไปคล้องอยู่แต่เรื่องไม่จริงไปถือมั่นอยู่ตั้งแต่เรื่องไม่จริงมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละเช่น <c oughs> ไปถือมั่นอยู่ในความโลภอย่างนี้นะความโลภมันก็พาให้ใจนั้นปวนปัน่นดิ้นรนขวนขวายอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดไปถือมั่นอยู่ในความโกรธอย่างนี้ อ่าความโกรธมันก็ปั่นจิตให้วันไว้ไปด้วยความเกลียดความชังความไม่พอใจอืมไปยึดมั่นอยู่ในความหลงความหลงมันก็พาจิตนั้นให้คิดซ่านไปทั่วพิภพคิดไปเพลินไปเสียใจไปบ้างเศร้าโศกไปบ้างลื่นเลิงไปบ้างอ เรื่องของความหลงมันเป็นอย่างนั้นแหละทำให้ความคิดความเห็นความรู้สึกนึกคิดภ า, ายในจิตใจนั้นไม่คงที่อยู่ได้พลิกไปพลิกมาเพราะเหตุว่ามันไม่รู้จริงนั่นแหละเรื่องมันนะ่ะท่านจึงเรียกว่าหลงนะ่ะหลงความจริงพูดง่ายๆเฮ้ยถ้าว่ามันรู้อะไรจริงลงไปแล้วมันก็ไม่สงสัยในสิ่งนั้น จิตใจมันก็ไม่ไปกังวลไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นๆเพราะมันรู้จริงอันที่ใจมันไปวุ่นวายไปวิตกวิจา์อยู่กับเื่องต่างๆหมู่นั้นนะ่ะมันร้วนตั้งแต่มันยังไม่รู้จริงในเรื่องนั้นมันถึงไปกังวลมันยึงไปยึดถือเอาไว้ อันนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเราผู้ใดพิจารณาให้ให้เข้าใ จ, ใ จ, าาใใาใจตามไปจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปละคำคาว่าเขาว่าเราว่าตัวตนนั้นได้ทันทีหมายความว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นโทษว่านี่ เออความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นี่มันให้โทษให้ทุกข์เนอะคนรละไม่ควรยึดควรถือไว้ออก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไป <c oughs> สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเมื่ อ, อ, อสอนใจเข้าไปบ่อยๆเข้าใจนี่มันเห็นแจ้งตามปัญญา มันก็ปรงลงได้มันก็วางลงได้นี่แหละการที่จิตมันจะละ ก, กิเลสแต่ละอย่างนี้นะมันต้องอาศัยปัญญาหาอุบายมาสอนจิตนี้เข้าไป <c oughs> ถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องได้อาศัยอุบายต่างๆแล้วเลื่อนใส้ใครๆมันก็ละ ก, กิเลสนี้ได้หมดแหละ คนส่วนหลายก็ผู้ที่หันหน้าเข้าสู่วัตราศาสนาเนี่ยล้วนแต่เห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ทั้งนั้นแหละแต่แล้วทำไมมันถึงละไม่ได้ละไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีอุบายเพียงพอที่จะมาสอนจิตนี้ให้ลงให้วางอม พิเรตตัญหาอันมันมาคุ้มอยู่ในจิตใจนี้ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจหาอุบายมาสอนจิตนี้เสมอเสมอการที่มันจะมีอุบายขึ้นมาได้ก็เพราะเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามทําใจสงบลงไปอย่างนี้แหละ การทำใจสงบนี้นับว่าเป็นบทบาทอันสำคัญลํำพังแต่คนไม่ได้ทำใจให้สงบแล้วมีแต่คิดวิจารไปธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่มันไม่ได้หรอกจิตใจมันจะไม่ยอมละเพราะว่าเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ ความคิดไม่ยืนตัวอืพลิกไปพลิกมาจับเรื่องนี้มาพิจารณาได้หน่อยเดียวไม่ทันรู้แจ้งอะไรจิตพลิกไปเอาเรื่องอื่นแล้วไปยึดเรื่องอื่นเข้ามาแล้วยึดเรื่องนี้ไว้หน่อหนึ่งไม่ทันรู้จริงอะไรเอาพลิกไปหาเรื่องอื่นแล้วอยู่อย่างนี้ในจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นมันจะไปรู้จริงได้อย่างไรแล้ว มเป็นยงั้นถ้าเมื่อจิตตั้งมั่นลงเวลามีสติควบคุมจิตนั้นอยู่ใกล้ชิดกันเลยสติกับจิตเป็นอันเดียวกันได้เช่นนี้แล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็รู้แจ้งตั้งแต่ตอนตั้งแต่ต้นวิจนถึงปลายนู่นจนถึงความจริงหมายเว่าอย่างนั้นเนี่ย เมื่อยังไม่ถึงความจริงแล้วก็ยังไม่หยุดต้องเพ่งพิจารณาอยู่นั้นจนว่าความจริงนั้นปรากฏขึ้นในใจอ๋วนี่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะเพ่งดูเอาจนว่าเห็นแจ้งขึ้นในใจว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริง เห็นแจ้งระจากด้วยปัญญาอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่มีควรยึดควรถืออะไรเรามันเกิดแก่เจ็บตายขันห้าขันห้าทำไมขันห้ามันจึงได้มาเกิดขันห้าจะมาเกิดได้ก็เพราะมีจิตดวงนี้แหละ จิตดวงนี้มันไม่ยอมปล่อยวางขันในอดีตนู่นมันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่เป็นอดีตร่วงแล้วน่นแหละมันใช้ขันห้านั้นทําบาปบ้างทําบุญบ้างนี่แหละบุญและบาปนั่นนะ่ะมันนี่นาดวงจิตนี่มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดา แล้วบุญกรรมบาปกรรมอ น, นั่นมันตกแต่งอวัยวะร่างกายให้แบบนี้ตกแต่งธาตุของมารดาบิดานัเนี่ยให้เป็นรูปเป็นร่างคนขึ้นมานี่ต้นตอแห่งความเกิดเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าผู้ใดมาปฏิบัติธรรมอบรมตนให้เป็นผู้มีศีลไม่ทําบาปไม่สร้างบาปมา คร อ, อบงามจิตใจขุนมัวเศร้าหมองแล้วมาเจริญสมาธิเข้าไปเจริญพระกรรมฐานเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปใจเห็นแจ้งในลมหายใจนนเข้าไปแล้วมันก็สงบลงนั่นเองมันก็หยุดคิดไปในอดีตอนาคต เมื่อมันหยุดคิดลงได้ก็รักษาความสงบอันนั้นไว้เอยไปรักษาเรื่อยเลยรักษาไปจนวัดมันมั่นคงไม่ใช่ว่าไปรักษาให้มันสงบอยู่แต่เวลานั่งสมาธิอยู่เท่านั้นออกจากสมาธิไปแล้วก็รักษาให้มันสงบไป <c oughs> เมื่อรักษามันสงบสม่าเสมอไปได้อยู่นั่นแหละ ปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาอย่างไรก็เห็นแจ้งชัดในอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระพุทธเจ้าอิงตรัสเป็นภาษิตไว้ว่าสมาฮิโตย่าภูตังประชานาติ เม <ME> ื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี <c oughs> ้เห็นทุกข์ก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงและบารนีสาวหาเหตุแห่งทุกข์ก็รู้ได้ว่าตัณหาคือความอยากความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีขันหา้าอยากเกิดอีก นี่นะมันเป็นเหตุใ้ใจมันยึดมั่นอยู่ในขันห้านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้เราก็ละความอยากอันนั้นซะอย่าไปอยากให้มันเกิดมันเป็นอีกอะไรต่อไปอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าให้ตั้งอยู่ในตรงกลางนะอยนี้แล้วความอยากอันนั้นมันดับลงไปแล้วมันก็ไม่มีเชื้อที่จะนำดวงกิจนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกก็ชื่อว่าดับทุกข์ ดับความเดือดร้อนรุนวายต่างๆได้เท่านั้นเองน ะ, ะข้อปฏิบัติจังกล่าวมานี่เนะี่ยได้แก่ศีลสมาธิกับปัญญานี่ไม่ว่าคทือดหัดไม่ว่านักบวชเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าแล้วสามารถปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้แต่นักบวชเท่านั้น แต่มันสำคัญอยู่ที่กับศรัท ธ, ธาของคนนี่ส่ความเชื่อหรือความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้มันอ่อนแอแล้วมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้บำรุงศรัท ธ, ธาความเชื่อนี้ให้มันแ ก, กล้าขึ้นไปให้ได้หาอุบายบารุงความเชื่อความเลื่อมใสนี่ให้มั่นคงขึ้นในจิตใจของตนได้เท่าไหร่แล้ว มันก็จะมีความภาคเพียรพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้แก่กล้าขึ้นไปจนได้บรรลุผลตามเป้าหมายดังแสดงมา